เลริญพรท่านเพื่อมีจเจตเมตตากรุณาใจบุญใจบุญสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะชีวิตจิตใจของพวกเรายังมีการที่จะต้องเดินทางต่อไป คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเราก็จะไปเดินทางไปต่อตอนนี้เหมือนเรามาแวะเติมน้ามันรถกันเวลาที่เราขับรถไปไหนมาไหนพอน้ำมันใกล้จะหมดเราก็ไปจอดตามสถานีบริการ ไปเติมน้ำมันไปเติมน้ำเติมลมให้กับรถยนต์แล้วก็เติมอาหารให้กับคนขับแล้วเราจะได้ออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการไปกันใจของพวกเราก็กำลังเดินทางหาบ้านของเราอยู่ตอนนี้พวกเราหลงทาง ไม่รู้ทิศทางของบ้านของเราอยู่ตรงไหนเราก็เลยไปแบบหลงทางเธอไปไม่เคยถึงบ้านเสียทีไปติดอยู่แถววงเวียนวงเวียนที่เราติดกันอยู่นี่เรียกว่าวัถงสงสารคือวงเวียนที่มีการเกิดแก่เจ็บตาย เรามาเกิดแล้วเราก็มาแก่มาเจ็บแล้วเราก็มาตายพอตายแล้วเราก็เกิดใหม่เราก็เรียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่เคยไปถึงบ้านของเราเสียทีถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าทางที่จะไปบ้านของเรานั้นไปอย่างไร แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าทางที่จะไปสู่บ้านของเรานี่ไปอย่างไรถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะเดินทางไปถึงบ้านของเราบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคอยบริการเราบ้านที่จะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาและอย่างถาวรไม่เหมือนกับบ้านที่เราได้กันตอนนี้เป็นบ้านชั่วคราวคือร่างกายของพวกเรานี่เป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่กันแต่ เป็นบ้านที่ไม่ถาวรเป็นบ้านที่จะต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายกันพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายความทุกข์ก็เข้ามารุมลราจิตใจของพวกเราแล้วพอตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราะเราไม่รู้วิธีออกจาก วัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนไม่ได้พบกับพระอริยสงสาวกผู้รู้ทางที่จะพาให้เราเออกจากวงเวียนของการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราโชคดีชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ที่ น, นานจะเกิดขึ้นมาให้พวกเราได้เป็นที่นำทางพาชีวิตของเราไปสู่บ้านที่ให้ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นถ้าเราศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เราก็จะเดินทางไปสู่บ้านที่ถาวรของเราตามลำดับต่อไประหว่างทางเราก็จะไปผ่านบ้านที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ยังเป็นบ้านที่ไม่ถาวรแต่ก็ดีกว่าเดินทางแบบที่พวกเราเดินทางกันอยู่ตอนนี้พกเราเดินทางโดยไม่มีทิศไม่มีแผนที่ เราเดินไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราเรานึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำกันโดยที่เราไม่รู้ว่าการกระทำของเราจะพาเราไปสู่ที่ไหนบ้างเหมือนขับรถแล้วก็ไม่มีแผนที่เห็นทางเลี้ยวก็เลี้ยวไปบางทีก็เลี้ยวซ้ายบางทีก็เลี้ยวขวาบางทีก็ตรงไป ไปแล้วไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่พอไปเจอแล้วก็สายเสียแล้วเพราะว่าไม่มีที่กลับรถเนี่ยมันต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราขับรถไปบางทีปลายปลายทางก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ทิศทางที่เราขับกันว่าจะไปทิศทางไหนชีวิตของเราก็เหมือนกัน เราก็เดินทางไปพอ ถ, ถึงทางแยกทีบางทีเราก็เลี้ยวซ้ายบางทีเราก็เลี้ยวขวาบางทีเราก็ตรงไปแล้วแต่ละทิศก็มีจุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันเช่นความรู้สึกนึกคิดของเราบางวันเราก็คิดทำบุญบางวันเราก็คิดทาบาปบางวันเราก็ไม่ได้คิดจะทำบุญหรือจะทำบา เราก็ทำ<ม>ไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำบุญมันก็จะพาเราไปสู่ความสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปมันก็จะไม่พาเราไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ทุกวันนี้<ม><ม>เรามักจะทำ ส า, สามอย่างนี้สลับกันไปบางวันเราก็ทำบุญอย่างวันนี้เรามาทำบุญกันบางวันเราก็ทำบาปฆ่ามดบ้างตบยุงบ้างฆ่าทุกแก่บ้างอะไรสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่บางวันเราก็ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำบุญเ mm. ช่นเรา ทำอะไรให้กับตัวเรานี้เรียกว่าไม่ได้เป็นการทําบุญหรือทําบาปเช่นไปออกกําลังกายไปจับใจซื้อกับข้าวมาทํากับข้าวมารับประทานของการกระทํำแบบนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเพราะไม่ได้เกิดคุณหรือเกิดโทษกับผู้อื่นการทําบุญนี้เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดคุณแก่ผู้อื่นส่วนการทําบาปนี้ เป็นการกระทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นวันนี้เรามาทำบุญกันเรามาทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นคือให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ที่วัดนี้ด้วยการนำเอาอาหารข้าวหวานต่างๆเครื่องใช้ไม่สอยและเงินทองไว้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายของทางวัดวันนี้เราทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญถ้าเราไปยิงนกตกปลาไปทำร้ายผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างโทษสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบาปทำแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจ ถ้าเราทําบุญทําแล้วเราก็จะส บ, บายใจมีความสุขใจถ้าเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉ ย, ยจะสุขก็ไม่สุขจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์นี่คือการกระทําของเราที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขหรือความทุกข์หรือความไม่สุขและความไม่ทุกข์แต่การกระทําทั้งสา ม, สามอย่างนี้มันก็ยัง ทำให้เราต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในวงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเช่นถ้าเราไม่ทำบาปเราทำบุญเวลาตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดากันไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่สวรรค์ที่เราไปมันก็จะหมดเวลาบุญที่เราไปส่งเราไปสวรรค์มันหมดกำลัง เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราทำบาปบาปก็จะส่งให้เราไปเกิดในอวายที่ไปเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่ก็เพราะว่าไปทำบาปมาลายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเปรตไปตกนรกอันนี้เป็น ผลที่เกิดจากการทำบาปทำบาปด้วยความไม่รู้ตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภตายไปก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอางฆาตพยาบาทตายไปก็จะไปนรกผู้ที่ไปไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ตายแล้วก็ไปที่เมนไปให้เขาเผากลายเป็นขี้เถ้าไป แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะลากใจให้ไปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปอบายก่อนแล้วพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปอบายก็ไปไม่ได้ ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเดินทางของพวกเราในขณะนี้แต่ถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เราทำแต่บุญไม่ให้ทำบาปแล้วเวลาตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิด แก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็ต้องไปบวชกันไปตัดกิเลสไปฆ่ากิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นตัวที่จะฉุดลากให้พวกเรากลับมาเกิดกันเกิดบนสวรรค์บ้างเกิดในอบายบ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างนีเกิดจากกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมา แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้นอกจากการทาบุญแล้วก็ไม่ทาบาปแล้วเรายังต้องมาปฏิบัติธรรมมาอยู่แบบนับปวดมาหยุดความอยากกันเช่นมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จะมากาจัดความอยากเช่นความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟน ถ้าถือศีลแปลก็นอนคนเดียวไม่ให้นอนกับแฟนแล้วก็ไม่ให้กินอาหารตามความอยากกินอาหารแบบกินยากินเมื่อถึงเวลาก็กินกินวันละมือก็พอหรือสองมือหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินแล้วกินมากเกินไปก็เป็นโทษต่อร่างกายทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มไป ทำให้ร่างกายไม่สวยงามแล้วก็ทำให้ร่างกายมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วเราก็ไม่ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันไปเที่ยวตามโรงภาพยนตร์ตามบาร์ตามผับตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราจะไม่มาหาความสุขจากการ แต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมแต่งเนื้อแต่งตัวเราจะแต่งกายแบบเรียบง่ายใส่มีอะไรไว้ปกปิดร่างกายปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไปนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ มันสบายมันก็จะนอนมากเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากลุกก็จะนอนต่ออีกทำให้เราติดอยู่กับการกินการนอนการเที่ยวเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดกิจกรรมเหล่านี้ได้ เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทำกิจกรรมเหล่านี้แต่การที่จะหยุดได้อย่างถาวรนี้ต้องไปหยุดที่ที่ใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำได้ถ้าเราถือศีนอยู่แต่ใจมันก็ยังอยากทำอยู่เราั้นเราต้องไปหยุดความอยากที่ใจอีกทีหนึ่งวิธีที่จะหยุดความอยากที่ใจก็ต้องหยุดความคิดของเรา เราชอบคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดความอยากคิดถึงเงินก็อยากได้เงินคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะไปดูภาพยนตร์คิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงอะไรมันก็จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดต่างๆได้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ วิธีที่จะทำให้เราไม่คิดเราก็ต้องใช้ความคิดมาหยุดมันความคิดที่ไม่เป็นความหยาบเช่นให้คิดถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปคิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไม่สามารถคิดได้เพราะเราคิดได้ทีละเรื่องเราจะคิดทีละสองสามเรื่องไม่ได้มันต้องเข้าคิวกัน คิดเรื่องนี้เนั้นก็ต้องรอไว้ก่อนคิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นต่อแล้วก็คิดเรื่องนู้นต่อถ้าเราให้คิดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็จะไปคิดหาเงินไม่ได้คิดไปเที่ยวไม่ได้คิดไปดูหนังไปดูละครไม่ได้คิดไปหาแฟนไม่ได้พอมันไม่คิดความอยากไม่มีใจก็เย็นสบายที่ใจเราร้อนกันนี้เพราะความอยาก เวลาอยากได้อะไรนี่ใจร้อนไหมรีบร้อนกันไปหมดขับรถนี่<ม>เหยียบกันสุดขีดรีบร้อนจะไปกันเพราะอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่อยากจะทนั่นทานี่ใจมันเลยร้อนแต่ถ้าใจไม่ได้คิดไม่มีความอยากนีใจจะเย็ยนจะสบายนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี่ะถ้าเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆด้วยการหยุดความคิดได้ เราก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่การจะหยุดความอยากให้อย่างถาวรนี้ต้องหยุดด้วยเหตุด้วยผลคือตอนต้นเราหยุดด้วยการไม่ให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่พอเราเผลอมันก็จะคิดพอคิดมันก็จะอยากขึ้นมาใหม่งนั้นถ้าเราจะอยากให้มันไม่อยากอย่างถาวร เราต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบความจริงว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราก็เกิดจากความอยากของพวกเราการทําตามความอยากไม่ได้เป็นการทําให้เรามีความสุขแต่เป็นการทําให้เรามีความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกัน าเรามักจะได้ความสุขตอนที่เราทําตามความอยากแต่เป็นความสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวความทุกข์ตามมาเรากลับมองไม่เห็นกันเรากลับไม่คิดว่ามันเกิดจากความอยากของเราเช่นเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาเราก็ดีอกดีใจมีความสุขกันแต่พอของที่เราได้มาหายไปเราก็เกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมา เรือของที่เราได้มามันเปลี่ยนไปตอนต้นได้มามันก็ดีแล้วต่อไปไม่นานมันก็เปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไม่ดีเราก็เลยต้องทุกขกับมันเช่นเราได้ลูกเวลาลูกเกิดมามัไหนนี้มันดีลูกมันว่าง่ายว่านอนสอนง่ายเป็นเหมือนตุ๊กตาให้มันทำอะไรมันก็ทำให้มันไหว้มันก็ไหว้ให้มันยิ้มมันก็ยิ้ม ทำอะไรมันก็เชื่อฟังไปเรื่อยๆเราก็มีความสุขจากเวลาที่เราได้ลูกตอนที่มันเป็นเด็กพอมันเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นมันเริ่มเป็นตัวของมันเองมันเปลี่ยนไปละมันจะเริ่มดื้อล้วบอกให้มันทําอย่างนั้นมันก็ไม่ทําบอกให้ทําอย่างนี้มันก็ไม่ทํำพอไม่ทําตามความอยากของเราเราก็เสียใจทุกข์ใจกันนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็น เรามองแต่ตอนต้นเราไม่มองตอนกลางหรือตอนปลายของสิ่งที่เราได้มาตอนต้นได้อะไรมาก็ดีใจกันทุกคนน่ยแต่พอได้มาแล้วก็เริ่มห่วงแล้วเริ่มห่วงแล้วเริ่มกังวลแล้วเอเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าพอเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจ นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นเพราะว่าการกระทําตามความอยากของเหล่านี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่นําไปสู่ความทุกข์ได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้ได้เงินมาก็ต้องทุกข์กับเงินเพราะกลัวมันจะหมดแล้วพอมันหมดก็ต้องทุกข์ก็ต้องไปหาเงินใหม่หามาใหม่เดี๋ยวมันก็หมดอีกเพราะเราไม่ได้หามาเก็บใช่ไหมเรามาหาเพื่อเามาใช้ ถ้าหามาเพื่อใช้หามาเท่าไหร่มันก็ต้องหมดถ้าอยากจะหาแล้วไม่ให้มันหมดก็ต้องหามาเก็บอย่าไปหามาใช้ถ้าหามาเก็บก็ไม่รู้จะหามาทำไมใช่ั้ยเพราะอยากจะใช้เงินกันการอยากใช้เงินมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราต้องคอยหาเงินอยู่เรื่อยๆหามาหามาแล้วก็เอาไปใช้พอใช้หมดก็ต้องไปหาใหม่ แต่ถ้าเราไม่ใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินวิธีที่ไม่ใช้เงินก็ต้องทําอย่างที่พระเจ้าสอนให้ทําหยุดความคิดถึงเงินอย่าไปคิดถึงเงินให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธพอไม่คิดถึงเงินใจก็สงบมีความสุขโดยไม่ต้องมีเงินโดยไม่ต้องใช้เงินแล้วพออยากจะไปหาเงินก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนบอกว่าอย่าไปหาหาแล้วทุกข์น เวลาหาเงินมันง่ายที่ไหนแล้วหามาได้ก็ออกไปใช้หมดหรือถ้าไม่หมดเก็บไว้ก็กังวลอีกว่ามันจะหายหรือไม่หายหรือเวลาเดี๋ยวตายไปก็ต้องจากมันไปก็ต้องทุกข์กับการพัดผ้าจากเงินทองอีกถ้าไม่มีเงินทองนี้เวลาตายจะตายอย่างสบายเพราะไม่มีอะไรจะเสียดายใช่แต่ขอทานเนี่ยเขาตายเขาตายสบายกว่าเศรษฐีแต่ เศรษฐีอยู่อย่างสบายขอทานอยู่อย่างลำบากแต่เวลาตายนี่ขอทานตายสบายกว่าเศรษฐีตายเพราะเวลาเศรษฐีตายนี้ต้องพัดพ่างจากเงินทองที่เขามีอยู่ไปทุกข์มากเสียดายเงินทองไม่มีใครไม่เสียดายเงินทองอย่ามาบอกว่าไม่เสียดายเลยถ้าไม่เสียดายจริงก็ามาทาบุญให้หมดเลย เ, เก็บไว้ทำไม เ, เก็บเพราะเเสียดายยังหวงอยู่ นี่ะคือความทุกข์จากการที่เราไปมีสิ่งต่างๆอยากได้สิ่งต่างๆมีอะไรแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันใช่หไหมเดี๋ยวก็ต้องจากเวลาตายนี่ต้องจากสามีจากภรรยาจากรูปจากทรัพย์สมบัติจากอะไรต่างๆไปหมดไปมีทำไมมีเราทุกไปมีทาไมแต่เราหยุดไปไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลัง แต่ถ้าเรามีกำลังถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธต่อไปเราจะหยุดความอยากต่างๆได้เวลาอยากจะได้แฟนก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวก็ลืมพออยู่กับพุโทโธไปสักระยะมันก็ลืมถึงแฟนมันก็ไม่อยากได้แฟนอยากได้ลูกก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ต้องมีความอยากได้ลูกหรือจะใช้คำสอนของพระเจ้าสอนก็ได้ว่า ได้อะไรมาแล้วมันจะต้องทุกข์มันไม่สุขหรอกมันทุกข์ตอนต้นเดี๋ยวมันมันสุขตอนต้นเดี๋ยวมันจะต้องมาทุกข์ตอนกลางทุกข์ตอนปลายมีอะไรแล้วต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องหยุดด้วยด้วยการหยุดความคิดแล้วก็หยุดด้วยเหตุผลความจริงว่า การทำตามความอยากต่างๆนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราต้องมาหยุดความคิดกันแล้วก็สอนให้คิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะการได้อะไรมาการเป็นอะไรจะต้องทุกข์เพราะว่าจะต้องมีการสิ้นสุดลง จะต้องมีการพัดผาาจากกันนี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่กลับมาเกิดวิธีที่จะทําให้เราไปถึงบ้านที่ถาวรบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีแต่ไม่บ้านที่ไม่มีความทุกข์พอใจเราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะถึงพระนิพพานถึงบ้านที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปถึงกัน เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายออกอีกต่อไปอยู่ที่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้จากการทำความอยากต่างๆสุขมากกว่าได้เงินทองสุขมากกว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตสุขมากกว่าได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยอสุขมากกว่าการมีสิ่งต่างๆมาให้ความ สุขกับเราทางตาหูจมูกเื่นกายนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้หลุดมือไปรีบขวนขวายรีบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายอายุแปดสบเก้าสิ คนตายได้ทุกอายุเด็กบางคนเกิดมาวันนี้ก็ตายก็มีบางคนก็อยู่ได้เจ็ดวันบางคนก็อยู่ได้เดือนหนึ่งบางคนก็อยู่ได้ปีหนึ่งบางคนก็สิบปีย0ปีให้คิดอย่างนี้เราจะได้รีบมาทําตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนรีบมาทาบุญรีบมารักษาศีลรีบมาหยุดความคิดแล้วก็รีบสอนใจให้หยุด ความอยากต่างๆอย่าไปทําตามความอยากต่างๆแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราไม่รีบปฏิบัติถ้าเกิดเราตายไปก่อนเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วคราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะทําแบบที่เราเคยทํามา บางวันก็ทำบุญบางวันก็ทำบาปแล้วก็พอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ทำอย่างนี้มาอยู่นานแล้วชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายนี้น้ำไม่ท่วนแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม ถ้าปฏิบัติตามได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้อีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพระอริยสงสาวกเพราะท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์อย่างจริงๆทําทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างจริงๆ ทำให้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างจริงๆถ้าเราเชื่อเราก็จะได้ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ท่านได้นามาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ